หน่อยหน่อยวันนี้ผมเหน่อยงวนเหน่อยวันนี้แข็งต้องหลัแล้วหน่อยมาก เธรรมะก็ได้แข่ไไม่รู้ไม่เลยพูดธรรมะมานานเพราะทุกสิ่งทุกอย่างลดลงลดลงเป็นลำดับลำลาความเป็นห่วงเป็นใ ย, ยหมู่เพื่อนก็มากทั้งที่เห็นเห็นอยู่นี่ทั้งที่มาในงานนี่ ทำให้ผมสุขสัสังเวชนะจิตมันหมุนไปทางโลกแล้วนี่ดูเท่านั้นก็รู้แล้วมันหมุนไปทางโล ก, กาเห็นเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์ดิเศษยิ่งกว่าอาจกว่าทาไปแล้วเลยกลายเป็นพระหน้าด้านไปแล้วเวลานี้เพียงเท่านี้ก็เห็นได้ชัดเจน มันจะไปะยุ่งมันจะไปะยุ่งมันตามเรื่องมันี่เลสนับวันดุนแดงขึ้นเป็นลำดับลำดาธรรมะนับวันยุบยอบ่อยุบยอบ่อลงโดยลำดับ หากมีอยู่ในจิต ใ, ใจบ้างก็นับวันแต่จะเสื่อมลงไปส่วมลงไปที่จ ะ, จะเจริญก้าวหน้านั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากแล้วเวลานี้โลกามิตรเป็นเครื่องร่อของกิเลสไม่ใช่อะไรอื่นไกลที่ไหนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นเครื่องร่อของกิเลสเพราะฉะนั้นต่างคนตึงต่างเพลิดเพลิน ก็ยิ่มยื่มย่องยึดเสาะแสวงหาจนไม่รู้จักเป็นจักตายมิจะให้ได้อย่างใจให้ได้อย่างใจปรารถนาสิ่งใดหวังสิ่งใดให้ได้อย่างใจให้ได้อย่างใจความปรารถนาความหวังอันนั้นมันก็เป็นกิเลสความให้ได้อย่างใจอย่างใจก็เป็นเรื่องของกิเลส เคยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่เรสุดท้ายก็มาหาพระปฏิบัติเราคิดเสาะคิดแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสาระฝังภายในจิตใจเสียแล้วเรื่องอัดเรื่องทรล้มละละละลายไปโดยดำดับลำลาตรงที่ที่เห็นเห็นนี้ะ เราอดสนุนสังเวชไม่ได้นะหมู่เพื่อนคงไม่คิดถ้าคิดจะไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นวางอั้นเลยนี่ไม่คิดคิดแต่อย่างเดียวอย่างเรื่องของยืดเดืโดยไถ่เดียวเรื่องของธรรมไม่คิดพอที่จะเทียบเสียงปัดเลียงกันบ้างให้รู้ผิดดูถูกรู้ว่าควรไม่ควร อที่แสดงอยู่นี่มีแต่กิ่งก้านของวัดป่าวันตาทั้งนั้นมาแสดงให้ผมเห็นขายตลาดให้ผมรู้ให้ผมเห็นอยู่ผมสรดสังเวชนะการแนะนำสั่งสอนมูอเพื่อนไม่ทราบจะสั่งสอนไปหาอะไรถ้าเป็นธรรมดาแล้วก็เตรียมบริการสะพายบาดหนีไปเลยหมดทางที่จะเยียวยาแก้ไขแล้วสอนแทบเป็นแทบตาย ผลมันแสดงออกมาในท่านี้แล้วก็เรียกว่าหมดหวังโรคประเภทนี้จะใส่ยาสักเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปไม่มีทางหายเป็นโรคที่ตายด้านแล้วเวลานี้เหง่อที่สลดสังเวชเรื่องมะขคนิพานิส ด, สดร้อนๆอยู่คนละภากฝาทะล่านี่มีฝา ก, กั้นงไว้นิเดดอยู่ ฝากทางนั่นธรรมะอยู่ฝากทางนี้ไม่ได้กห่างไกลอะไรแต่จิตใจของโลกมันหมุนติ้วไปหากที่เลสที่อยู่ฝากทางนั้นได้ จ, จนหมดเราไม่อยากจะว่ายังเหลืออยู่นะว่าจนหมดแล้วมันจะสมใจดีวเวลานี้มันหนักแน่นมากทีเดียวกับสิ่งเหล่านี้เรื่องทํา ลิบลับลิบลับไปโดยลำดับลำดายจะไม่มีเหลือภายในใจิตใจยิ่งครูบาอาจารย์ล่วงไปแล้วยิ่งจะสนุกแสดงเต็มเพลงของกิเลตประเภทนั้นๆในหัวใจในกิริยามายาการแสดงออกของพระปฏิบัติเรานับวันจะออกหน้าออกตาเป็นหน้าด้านไปเลยนี่ที่ขึผมผลตลดสังเวศ ถ้าว่าทำไม่อยู่ในฉากเดียวกันพอมองเห็นอยู่พอไม่มองเห็นเป็นอย่างหนึ่งนี่ทรรมอยู่ฉากเดียวกันมองไปทางนี้เป็นพิเดะมองทางนี้เป็นธรรมมันเห็นกันอยู่ชัดๆแต่โลกไม่มองผู้ปฏิบัติไม่มองธรรมมองตั้งแต่สิ่งที่จะเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้จิตใจตนเองนี่สำคัญมากนะ คนทฟากังนั้นอมองเห็นกันอยู่จิตดวงเดียวจิเดชมาครอบไปะสมบูหมดเลยธรรมะแสดงออกไม่ได้ธรรมะก็มีอยู่ในใจนั่นแหละแต่แสดงออกไม่ได้มีนเ็เรื่องของจิตเดชมันออกลวดออกลายขยายตัวออกไปนี่อย่างกว้างขวางเลือกซึ่งโดยลำดำับ เลยกลายเป็นความลึกซึ้งของกิเลสยิ่งกว่าธรรไปแล้วเวลานี้ตามธรรมชาติธรรมดานั้นทําเป็นธรรมชาติลึกซึ้งกว้างขวางมากครอบกิเลสอยู่ตลอดเวลาเหนือกิเลสท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือกิเลสนั่นเองธรรมเหนือโลกโลกคือโลกของหมู่สัตว์ที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้มันจะกลายเป็นกิเลสเหนือธรรมไปแล้วเวลานี้ ศาสนาล่วงมาได้สองพันหรอกว่าปีนี่เห็นได้ชัดแม้แต่เราบวชมาตั้งแต่เริ่มแรกบวชก็ดูสงบสงังบงามตาอยู่เรื่อยๆถึงพระจะไม่ได้สอดแสวงหาภาคปฏิบัติเหมือนทุกวันนี้ก็ตามมีแต่ป ร, ริยัติล้วนๆก็สงบงามตาอยู่ไม่สแสวงแทงตาแล้วค่อยเปลี่ยนมาโดยลำดับลำดานทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนไปเพื่อกิเลสนะ ไม่ได้เปลี่ยนไปเพื่ออาจเพื่อทำเปลี่ยนเพื่อกิเลสล้วนเปลี่ยนวันเปลี่ยนคืนเปลี่ยนปีเปลี่ยนเดือนไปโดยลําดับลํานาด้วยอํนานาจของกิเลสปลาให้เปลี่ยนไปเรื่อยเืยจนมองหาธรรมไม่เห็นอันนี้ที่วิตกวิจารมากเป็นห่วงเป็นใดหมู่เพื่อนมากก็ยิ่งให้มาให้ใหเห็นอย่าง ชัดๆอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งสลดสังเวทเนาะจิตใจมันเหี่ยวหอท่านจะพูดถึงเรื่องแบบโลกๆนะท้อใจคือเหี่ยวหอท้อใจที่จะแนะนำสังสอนชุดลากกันไปเมื่อเราได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มกี่กำลังความสามารถของเราบรรดาพระเนนที่มาอยู่กับเราแล้วออกไปกลับมาแสดงผลให้เราเห็นแบบนี้แบบนี้ จึงสรุดสังเวชอดไม่ได้ทนไม่ได้สรุสังเวชความดเด่นี้เป็นภัยมาตลอดแต่งตาการไหนๆมาไม่เคยเป็นคุณต่อผู้ใดยังสนิทติดพันกับมันหลายอย่างลืมเนื้อลืมตัวนี่ทั้งทั้งที่เทศกต็ตกกันอยู่การเทศกันไหนผมฟังทุกคืนผมไม่ได้เว้นนะ กันไหนเป็นกันที่กระตุกให้รูเนื้อรูตัวทั้งนั้นไม่มีกันไหนที่ย่อหย่อนอ่อนกำลังให้เฉลี่มาเหยียบย่ำทำลายในสานวนเทศเป็นอย่างไรเข้มข้นเอาจิงเอาจังตามหลักธรรมชาติของธรรมที่แสดงออกในเวลานั้นแล้วก็มีเกี่ยวกับนิสัยอยู่บ้างผมก็ยอมรับนิสัยจริงจังนิสัยเด็ด นิสัยเสียบขาดมีเพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้โอโ้อวดมู่เพื่อนนะเป็นนิสัยอย่างนั้นว่าอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นขาดสะบั้นไปเลยชีวิ้ของเจ้าของนี้ไม่มีความหมายถึงขั้นที่จะเป็นจะตายกันแล้วด้วยการประกอบความภาคเพียนสู้ขี้เหรนี้เป็นไม่ถอยความตานี่ทิ้งไว้ข้างหลังเลยต้องการแต่ความจริงเท่านั้นมีอะไรให้รู้เห็นกับหวัวใจนี้ให้หมด หากว่าตายก็ตายกับความจปีญานนี้มันถึงขนาดนั้นที่เรียกว่ามันเด็ดกิยาอ น, นั้นเหมือนลิริสัยนั้นติดมาก็ถูกแต่ใครก็ใครเถอะถ้าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถึงใจแล้วเด็ดได้ทั้งนั้นนหละนอกจากไม่ถึงใจแล้วมันไม่เด็ดล้วเลอะแล ะ, และลเละโลโลเลเลทําอะไรไม่จริงไม่จังองนั้นจะหาสาระอะไรก็ไม่ได้จากการประกอบความเท่าเพียม หยิบโน่นหยิบนี่หยิบหน้าหยิบหลังโยโยกคลอนครอนหาอะไรกินกิงจังๆไม่ได้พอจะเป็นหลักเกณฑ์แต่ตัวเองไม่มีอันนี้แหะที่สำคัญมากโลกนี้มันร้อนเวลานี้อย่าเข้าใจว่าโลกนี้เย็นเวลานี้โลกทั้งหลายเรามันดิ่น หาแต่ว่าจะความเจริญความเจริญคืองมเงาหลงลมปากหลงสัญญาอารมณ์ไปเฉยความจริงมันไม่มีความเจริญในหัวใจนั่นนะ่ะเราดูสิความโลภแสดงอยู่ตลอดเวลาเป็นความจุที่ไหนราคะตัณหาแสดงอยู่ตลอดเวลา เป็นความสุขที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บีบบังคับโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายให้กระเสือกกระสนกะวนกวายทรงเนื้อทรงตัวอยู่ไม่ได้เพราะอํานาจแห่งธรรมชาติเหล่านี้บีบคั้นให้เป็นความทุกข์ความทรมานโลกไหนที่จะเป็นความสุขไม่มีอยากฝันหาอยากฝันลมฝันแรง ให้ดูหัวใจตรงที่มันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่นี่จะดับกันที่นี่เมื่อดับที่นี่แล้วเราไม่ต้องถามหาความสุขความสบายพอไฟเหล่านี้ดับความเย็นก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วมากน้อยตามไฟที่ดับไปมากน้อยนั่นแหละยิ่งดับไปสัมหมดราคขีโทสกีโมหคิดับไปไม่มีเหลือ ภายละจิตใจแล้วถามหาอะไรความสุขพราพูดที่เจ้าแนะนำสั่งสอนสัว์โลกด้วยบรมสุขของพระองค์ทรงไว้เต็มพระทัยแล้วในขณนะดเดียวกันก็มองดูสัตว์มีแต่พนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาไม่ว่าพบใดภูมิใดเต็มไปอยู่ด้วยฟืนได้กายยิ่งก็สอนลงอย่างเน้นหนัก ด, นด้วยความเมตตาดรืนวนนั่น มีศักดิ์สยานอยู่ทั้งสองด้านไม่ตะสอนเล่นๆสอนสั่งเออสอนจริงสอนสอนจริงสอนต่มันร้อนอยู่ที่ใจมองธรรมมองใจสิมองโลกก็มองใจรู้เองรู้โลกถ้า ม, มองใจแล้ว ถ้ามองโลกแล้วไม่มีสิ้นสุดเหมือนไฟลามทุ่งมาไม่มีสิ้นสุดทํามองใจแล้วโลกจะไปไหนมันจะไม่รู้ได้ยังไงโล ก, ก็บิทู ก, ก็รู้ที่ใจนี่จะไปรู้ที่ไหนวันนี้น่่ยพูดอะไรไม่ค่อยได้เลยพอดีกับหมาเข่ากระตุกอแค่นั้นหมด น, นะเหนื่อยมากไม่อยากพูดอะไรแนละ้วิดซะอันนี้ หมามันเข้าเรื่อยนันเห่าดี <c oughs> หมาเลยไม่ทำหนีมันนะเป็นภาษาของหมาอย่างนั้นจะว่าไงเขาไม่มีเจตนาอะไรกับเราก็เหาไปตามภาษีภาษามันนี่เอาซะบั่งออก อ, อกลไรก็ได้เป็นอะไรไปา <c oughs> ไม่เต็มร้อยมันไม่เต็มเหนี่ยวนะถ้ามีนี่ล่ะ พอ ม, มองเห็นได้มันจะหลีไม่มากก็น้อยนะถ้ามีนี่แล้วไม่เต็มไม่เต็มน้อยถ้าไม่มีก็เต็มเอาเป็นเหนี่ยว ม, มันมีคํานี่เลยมันเพราะมันมีนี่แล้วมันก็จะออกอะไรอะไรกระจายนะผมสงสารมากจริงๆนะไม่ใช่รรมลาสงสารหนุ่มด้วยคือเราจวนตัวเข้ามาเท่าไหร่นะ แทนที่จะมาหวม่วงเจ้ของมันไม่ได้ห่วงเลยดีนะเชื่ว่าไหมตั้งที่ว่าไม่ได้ห่วงเลยมันตัไปห่วงเพื่อนฝูงที่คิดหาที่เน้นแน่นทางใเป็นเม็ดเป็นหน่วยนะมันไม่ได้งานในหลังไม่ต้องจะมาแสดง ต, ตีเลทต่อหน้าข่างอย่างที่เห็นมาผมเขารวมมาหลายปีผมไม่พูดนะดูมาตลอดไม่ไมพูดไอ้นี้มันก็มีเรื่องที่จะพูดวันนี้ถึงพูดขึ้นบ้างตอนมื้อเช้านี่ และดัดด้วยนะไม่ไม่อา ร, รมณ์ตามด้วยตานนี้เพราะสิ่งอันนี้ไม่ได้มีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจพระเราเสียบหมดแล้วการปฏิดดบัติต่อโลกเราก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นเราไม่เห็นเป็นเป็ น, ปนหนักไปแน่นอะไรกับมันเป็นของที่เกิดมีมามากน้อยก็ทําประโยชน์ให้โลกทั้งหมดไม่มีเพื่ออะไรหละมีเพื่อประโยชน์มันก็ออกทางไหนประโยชน์จะเป็นยังไงก็ไปตามประโยชน์ เงนมีเงนเป็นแล้ว น, นั้นไม่ได้ผิดข้อไม่เป็นอารมณ์กรรมวิสิ่างานี้ภาษากระดาษเปียมันหายเขสูงมึงขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองก็เป็นว่านิ่งตายเป็โลกกล็มันเปาอย่างนี้อันนี้นิยมอันนี้มากอันนี้เกียดหัวน้าอยู่ว่กัดกันหดกัดกันหรอกมันเคยกัดกันไหมกักันอยู่นะ ตัวตัดไจเลยนะอย่าไหวนะมองเห็นโทษเหมือนกัาแล้วก็ยังไม่มีเงินมีทองมีข้ามีทองคนไม่ได้วิ่งเต้นดินก็วินตาอย่างผู้วันนี้น้านเมืองสบองบก็มีต่ลานี้มึงก็ยืนเฉยมันร้อนจังจรนงจิัแต่ความเพลินปรุงไปนะมันถึงไม่เห็นโทษนี่ สิที่เป็นโทษมันเป็นอยู่ตอลอดเวลาตามความหมุนของกลของกายวางายเพื่ออะ้อกปุดตามปุ่ามาไม่เห็นโทษของความหมุนยอดมากของที่เห็นมันจึงคว้านองคว้านี่ปุ่มากคว้านะ่น้ำเหลวคว้านน้ำเหลวคว้าน้ำเหล ว, ว, หล ว, ว, หลวมันไม่ติดในกรรที่ทำชาววงแอร์ที่ไ มีพลังพ อ, องแล้วนะเต็มกําลังความสามารถเจของนอกจากไม่พูดเทานั้นเอ ง, ง, งพูดเรื่องวางากเขาพูดเช่าอย่างราบราบพูดอะไรอะไรคูดออไปต้องเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากน้อยก็พูดตามขัน้นตามวงเป็นประโยชน์พูดไปแล้วใสโ่โยกเขาไม่มองกเขาไม่ฟังเกิดประโยชน์อะไรอย่างที่พูดแบบนี้มันก็ความขวาง อ, อยู่แล้วเนี่ฟังดิ เขาเลกาเขาขนาดไหนทังที่พูดคำระเล่าให้สงบเรื ceux, Reese, ่องเย็นนะเล่กับเพื่อนเล่เรื่อยยื่นไม่พอใจนี่เวลาที่านี่ก็สั่งว่าเขาพอย่างที่ไม่อยู่ต้องบอกแล้วอธิการจะพูดย่างอธิการเปันไม่มีขอบมีเถื่อาอธิการทำงานนั่งแบบปมเนี่ยเป็นไม่้อใจจงี ไม่ใช่อสุกันสมญาผ่านพ้นไปไปมาใกันของโลกนี้พาออไปหาดะหัไปสลับจับกินข้าวแล้วผ่านไปผ่านไปไอ้พวกเรานั่งมุงขี้มตบยูกมันนั่งเห็นขีู้่กว่าใช่ไปอีกนั่งขี้คือน้หน้าเทเลกอ๋อเพิงกรมสมญาความเฉลียงละเอียดเอาจริงบอกว่าด เมื่เหยียดทางนานะไม่นั่นกล่อมสร้าโลกไม่ได้สร้าโลกไม่ติดถ้าโลกลายไหนก็รายนั้นติดทั้งนั้นมันขนาดไหนอโลกนี้ติดเหนือเหนือโลกโลกทั้งติดเหนือเพหัวใจสัตว์หัวใจสัตวจริงติดไม่เหนือไม่ติดนื่เวลาที่ยินาเข้าไปในทางด้านจิตตภาวนาตามองเข้าไปตังเไปตังเข้าไปต้อนเข้าไปเยื่อยเยื่ เห็นโทษของมันเป็นลําดับลาดาแก้ลงไปแก้ไปเห็นโทษลงไปเห็นโทษเป็นลักษณะเห็นโทษก็เห็นคุณของธําเห็นคุณของธําแบบคุ้มค่อมกันต้องมีเห็นอีกทั้งสองอย่างสองอย่างสองอย่างไม่แยกมีเห็นเดี่ยวนะมันเห็นไปคุ้มคอมกันทั้งสองอย่างทั้งโทษทั้งคุณทั้งโง่ทั้งฉลาดมันเป็นเปตามกันหนอกเวลาปฏิบัติไปถึงเข้าเข้าปิดหรือเข้าได้เขาเขียนที่ควรจะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นใครไม่บอกว่าการต้องเรียกว่าเป็น คำในหลักธรรมชาติเลยทีนี่ตำานไม่มีตานประความจริงมันเด่นอยู่เว่าใจนี่ปฏิเสธได้อย่างไรขึ้นอย่างนี้เราเห็นอ่านคนอื่นเขาไม่เห็นกรตามงใครไม่เห็นก็ตามแล้วปฏิเสธได้ไหมันนีไม่็ังพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่งนี้อะโลกก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นแบบนี้รู้อบ่นี้ถึงนีมีอยู่ม่อยู่ยังไงเห็นต่มันมีมันมีนเป็นในโลกไม่เห็นโลกโลกตาบอดไม่เห็น อันนี้เ็นสิ่งที่อาจารย์ท่าน้ิ่งใหม่ทรงรูงเห็นเราก็เท้าตัวเท้าหนู่เวลาเวลาไปโดนโดนโดนเอาอโออ๋มีต่เรื่องที่าแสดงไว้หมดแสดงไว้หมดไม่เห็นดนตำนนิตำราเนาะเขาเรียนเหมือนกันมันก็ไม่เห็นแต่มันเป็นในความจริงเห็นอยู่ในความจริงรู้อยู่ในความจริงนี้จะว่างไงท่านผู้ยิ่งใหญ่านก็งได้ครูการ์ท่านว่าทำขึ้นมาในตำราตาราเท่ากับท่องมหาตรเมันเป็นความจริงอยู่ เป็นต้องฟ้าะหาสมุทรเป็นสมุติไม่ยอมบ้างไงมันนั้นแหลความจริงเกศที่สามารถรู้ไปหมดเลยเนี่ยํามีคำเป็นคำจริงอยู่ยังไงไหนมันเกิดได้อยู่ได้่งมันเกี่ยวโยงกันไงมันจริงมันทราบไปหมดว่าเมื่อถึงขั้นที่เชิงชาตแล้วชึงชาติแ้วเนี่ยเปิดตัวนี้ตัวสำคัญนี่ออกนี่เห็น่งอู่นี่เตัวนี้สําคัญมากครับ อะไรแล้วลเอียกละเอียดสุดสิชี้ดูจากอริชาที่ว่านี้เพราะว่ามหาลิตมหาปัญญาเด็ดขนาดไหนเขียบขาดขนาดไหนข้างตัวขนาดไหนยังไปรตรงอยู่กับอริชาตรงได้ยังไปจิตมันจนได้ฟังดูไม่ไม่จิตได้างานไม่จิตจะชมมันเหรออัอศจรรย์มันเหรออัอศจรรย์อริชาหรือมันเ็นยังหัวใจนี่ถึงเดี๋อววพูด อาจารย์ตัวเองนี่อาจารยมาขนาดไหนนั่นแหละตัว น, นั้นแหละเก่งไหมพี่หลวงสติรปัญญานี่หมุนไปทางไหนขาดตบ้านขาดตะบ้านแต่มันไม่หมุนเขาตรงนั่นเองกีเห็นไหมหลงกลมึ้งนี่ที่เรื่ออาจารย์อู้ยเจ้าอ๋อส ก, กิรปัญญาขั้นนี้ไม่รอห ม, หมุนไปไหนขาดตะบ้านไยเลยถึงขั้นเชือบขาดเชือบขาดจริง เหยียดแหลมคมแหลมคมจริงรวดเร็เวจริงแต่แ้วมันทำไมมันจะหมาะอยู่กับอวิชาเป็นได้โอออาจารย์อานารย์อาจารย์เจ้าเจ้าของอาจารย์เจ้าของแล้วเจ้าของนั่นคืนออวิชาอาจารย์เสือร้ายนั่งดูซิโงหรือไม่โง่อาจารย์เสือรา ย, า ย, รายว่าเป็นยึ่เป็นหายเป็นคู่หุ้นเป็นหุ้นายมไม่อะไ ร, ะไรมาแก่ต้องเป็นองค์พระรักสาหม่ ผมบ้าอยู่นั่นนั่นะที่โทษแห่งความต่ําก่อวิชาต่ำก่อขี่ตรงไหนติดตรงนั้นอย่งว่ามหาเศรษฐีมา้มยาก็าต้องติดันจะเพียงว่าติดก็ไม่นานตอนนั้นเองออกเกันได้เพราะพติดบรรดาขั้นนี้เป็นขั้นจริไม่นอนใจมันมันมนัมันติดอยู่กตะะต็ต้องบอกว่าติดเลยระยะที่มันติดต้องบอกว่าติดมันเลยหย่ากัานนายชื่เอง เราไปได้ยางไงเพางนั้ที่พระพุทธสนตั้งถึงข้อพระไถ่ไม่ยอมขมขวายไม่อย อ, อยมสั่งสอนก็นขนาดนั้นว่างนั่นจบขนาดที่ทรงข่อพระไถ่ทั้งทั้งทีป่ปัตตานีเป็นหลวุทเจ้าจะสั่งสอนต่อโลอยู่แล้วเวลาไปเจอเขาจังอทรงข้อพระไทยทำความข่ม ข, ขวายน้อยม่อยอมสั่งสอนใครเแล้ว นั่นเป็นยังไงโดนรกรปฏิรละเลยยังไม่คิดจะอ่านใจตองอะไรแล้วโดนจังๆในปัจจุบันวันะวนี้ย้อนไปตางอดีตดูสารโลกหรือปัจจุบันดูสารโลกกับอันนี้มันจะเข้ากันได้อย่างไงนั่นคือท่อพลาสติคุณไปฟังเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดนั่นทต้องคว้างวิเลยเสมอไปวิเลยมัอยู่ที่ไหนันอยู่ที่หัวใจคนมันต้องขว้างหัวใจคนจนได้ นั่นด้วยแ่แล้ที่พูดที่ทาความดีความออกมาแล้มันเขาก็ไม่รู้ตัวเขานะว่าเป็นผี่เยเขาจึงเชิญไปตามเขาจึงพอใจดพอใจความพอใจํางหนึ่เห็นมผ้เยก็ใหญ่ขนาไหนี่สลับซับตอนออผู้นั้นสรปตรงนี้จริงๆนะไม่ใช่ธรรยิ่งแกเข้ามาสลายแนะนำต่าสฝายมุ่งกอนก็หมดกำลังยังี่เห็นพูดไปอ้อยอ้อยอะ อย่างวันนี้ก็เหนื่อนทั้งวันแล้วก็พูดก็ไม่มีอะไรก็พูดแล้วนี่มือังนี่ที่ทำห้เป็นห่วงเป็นใจมากธรรมะมรรคผลีความทดสบร้อนๆนี่นะไม่ใช่ว่าอยู่อยู่ห่างไกลอะไรเอ้ยเป็นเที่เราปิดตัวปิว่าไม่เห็นตาที่เรก็คือทาแน่ใกล้กืนเด็กตัวนี้งั้นะเําว่าห่างไกลอยุ่ใจดวงเดียวกันนี่ นีอยากยงไมั่งไม่ลืมไม่จะอะไก็เป็นสัจธรรมเอาอะไรมไมันไม่ใช่สัญญานะสัญญามันจำอะไรมันก็จดําอยู่ทุกวันอย่แล้วเรื่องอะไรไม่ไมเอาไหนหนะผมเดี๋ยนี้เรื่องอะไรอะไรนี่ใส่คุ้มคิดค้มอ่านนี่ว่มามันยุ่งเลยบคุณอะไรนีพอรับทรารับทาตัวหายตัวหายไปหมดไปหมดมันไม่มีอะไรเก็บเวลานี่สัญญาความเก็บคือคลอดจดจำมันเก็บเอาไว้ไ่ มันจะไม่มีแล้ ว, วลอะหมดไปหมดไปท่านมีแต่ความรู้ล้วนๆความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ที่จะเอามาใช่อย่างนี้การที่ใช้นี้ต้องเป็นสมุิหันเป็นสมุิใช้ต่อสมุิทั้งหลายยืนอัศจรรย์กระสังยืนลำพึงยืนอัศจรรย์กะของอยู่ท า, างตรง อู่ที่ไหนมันก็เป็นแต่เวลามันจะจับจุดของมันได้มันก็จับมันก็จําตรงไหนได้ชัดเจนมันก็ตรงนั่นมันสั่งลึกเช่นดึงลำตึงอัุจิจำตัวของมันทำไมจิตนี้ถึงขวางเข้าไว้ขนาดนี้อสุจิจำตัวเองโอ้โหจิของเราเป็นังไงเป็นยังงนั่งที่ไหนเห็นไหมหมอดแต่อวิชานั่นหนักตัวอวิชาแท้ไม่มีอาการอะไรออกไปอ่ะ อาการอะไรมันดับหมดแล้วเนี่ยแยกออกไมันรู้ทันรู้ทันรู้ทันไม่คือมันรู้เองนะเป็หลักธรรมชาติเมื่ถึงขั้นมันละได้แล้วแยกออกไปมันก็รู้มันยักดับแยกดับแยกดับอะไแล้วไม่มีอะไรสืบต่อเไปสิ่งที่มันตัดขาดแล้วมันเป็นอย่างนั้นงั้นไม่สืบไม่ต่อกันเหรอเนี่ยนั่เป็นหลักธรรมชาติบังคับให้ติดมันก็ไม่ติดบังคับให้สืบต่อก็ไม่สืบต่อด้านชุ่เรียวหลักธรรมชาติเหมือนจิตวอรหัน คุณท่านป๊อปแล้วเท่านั้นลามันเลยตูมเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ําถ้าเป็นปืนก็ถ้าเป็นยิงตูมเดียวไม่ต้องซ้ําขาดสะบั้นไปหมดตั้งจากขนาดนั้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งหวงอุูปะเมืมุติเนี่ยมาหลงมันหลงว่ามันนะของัขาอยู่มันจะไปได้อยู่มันหลงมันต้องบอกว่ามันหลงสิจุดไหนมันหลงจุดไหนและเอียดเปยังไง คนรราของอวิชานนี่ล่ะตัมาเที่ยวเวลามันทางทรายลงไปแล้วทีนี้สะดุ้งมาทั้งตัวว่างอะเหมือนฟ้าดินถล่มออโอ้โหี่มถึงทศวิชานร่างกายเป็นกองี้ควายไปแล้วนี่ขนาดนั้นแหละนี่กลามาเป็นกองที่ควายแล้เห็นหมใ ไปตั้งะงนะที่่งที่เหนือร่างเป็นยังไงมันถึงด้วย ม, มันํามีจำ ม, ออนะมอีอย่างถึงใจด้วยนะันจะจำอยูรดาแบบพูดแบบปลาปลาไปนะคือจำมีอย่างถึงใจด้วยก็เหมือนกองผิดฝ่ายบาครั้งอัศรจนกลัวรอยระวง แล้วมันเป็นไงมันกลับมาเป็นเป็นกองที่ควายได้ธรรมะก้าวขี้ทําให้ตัวรอยด้วยความหลงมันน้ า, นานเหนือกันสิ่งที่เหนือกันเแี่ยมันเหนืออย่างนั้นแหละธรรมะที่เหนือจิตที่เหนือกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นกล้กนั้นเนี้ยตั้งแต่กระจัดกระจายอยู่นั่นแหความรู้นไม่คงเส้นคงวานะไม่เหมือนความบริสุทธิ์นะ ขอ้อมือสูงนี้เท่านั้นเนีลยคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดไม่มีสมมติเข้าไปเกี่ยวไปข้องไม่มีการว่าต้องระมัดร ะ, ะวังรักษาดูฟังเสียงหินรถกลัวกิจะไปอย่างไง น, นี่ไม่ ม, เรรมเนนีเป็นธรรมชาติขาดเป็นคนรับฝังรับฝังรับฝังเป็นธรรมชาติของจิตที่บริสุทิ์ฟังให้ดีแต่กิริยาที่มันนอกเหนือจิตบริสุทธิ์นี่ สมมูิทั้งนั้นแหละที่จากนั้นมาแล้วเป็นสมมูลทั้งหมดเช่นอย่างขันเนี่ยเป็นสมมูลนความคิดความปรุงความกดจำไล่อะไรอะไรก็ตามนี่เป็นสมมูิทั้งหมดมันจึงสลายไปเช่นเดียวกับดินน้าลมไปดินน้าลมไฟสลายตัวลงไปแล้วทําลัธรรมชาติของเขาครั้นใดอืมวิญญาณตังขานวิญญาณแล้วก็ไปสา ล, ลายสภาพของมันอย่างนั้น เวลามันเหนื <Hoch osi> อกันไปทางจิตเมื่อมันเหนือเรามันก็เห็นเรื่อยๆมันเป็นยังไงยังไงเห็นมันขยายออกเรื่อยความรู้นี้มันไม่คงเส้นคงวาเหมือนธรรมชาติเลยขยายออกเรื่อยขยายออกเรื่อยมองไปไหนมันยื่งขยายออกไปเรื่อยเรื่อยเื่อยเหมือนตาเราเนี่ยเราเดินไปนี่ไปนี่เห็นนั่นไปนั่นเห็นนั่นไปนั่นเห็นนั่นการพิจารณาพิจารณาอะไรมันยิ่นกระจายออกกระจายออกถ้าพิจารณาโดยเฉพาะก็เฉพาะทน่าจะแยกไปนี้ต ไปออไรกส ête, สร้าล่ำกระสั้นสร้น <pues> สั้นไปหมดเป็นสั้นไปแล้วรู้รู้ไปแล้ว <Reserve. S 2> ล c, ไปแล้วไม <Peg u. S 1> <ๆ>่เป็นอารมณ์นั่นเพราะตัวใหญ่ไม่ภาพเป็นอารมณ์คือจิตไม่าพเป็นอารมณ์รู้เสยียเพราะมันเป็นสมูททั้งหมดเนี่ยสิ่งที่รู้ที่เห็นเหล่านี้ไม่ไม่ใช่มิมุทมิมุทมีปัญหาอะไรสิ่งเหล่านี้ลึกลับสลับซับซ้อนมากแต่มันก็ไม่ไม่พ้นที่จะรู ate, ้จะเห็นตามหลักความจริงของใจที่เป็นวิสัยที่จะรู้มัต้องรู้ตลอด มันก็สดร้อนๆนี่นะมันน่าจะได้จะถึงวกเรามันอะไรมันเสียดายอันเดียวเลยเสียดายที่เหน็ดอันเดียวนะความคิดความปรุงก็คิดตลอดวันยังคำคุยอยู่ลุงมันก็ไม่เสร็จไม่หลับจะบีบบังคับเข้าใส่ทํามันก็ดีดออกเสียไปคิดตามเพ่งเพมากของมันจช่เพ่งมากถึงเพ่งที่เหนะคือเพ็งเพะบังคับมาให้มันคิดคู่เดียวก็ไม่ได้มันตีดั้งมันออกพิจารณาอะไรมันก็ไม่ได้แล้ว ผิดไปพลากไปทะเลถลายไปอย่างนั้นตลอดผิดของใครกับของใครปไปไหนมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคตอนเราใช้ความพย า, ายามใช้ความเด็ดความเดียวต้องหาวิธีการหลายอย่างลด้านห ล, า ย, า, นลายทางช่วยจ้ของอืนเป็นอย่างนั้นเหรอคนที่หนทึทําส่วนวัตทุกจมจะตมจะจ ะ, จะเป็นจะตายเพราะควาหาอุบายพึิกแปลงแปนแปลงที่จะดัดท่านดานกิเลสของเจ้ของ จึจหาดูจแต่ที่อย่างนั้นะคือว่ากลัวๆวิเียเลยกดข้าจนจะเป็นจะตายมันก็ต้องได้ทนเพราะมันไร้ผลอันนี่เนี่ ย, ย, ย, เ, ยออ เ, เป็นอย่างนั้นแหละมันข่องคือกสีสมาธิมันก็ข่องกระว่างก็ไว้ละเอียดละออออกทางด้านปัญญาก็ข่องนะสาหรับเราเป็นนั้นนิสัยของเราประหารเป็นที่หนึ่งในการหนุน การภาวนาของเราอดนอนนไม่ควรได้นนเรื่องเคยทุกอย่างแล้วเนอดนอนกี่คืนมันเลยทื่อไปหมดนี่ไม่ดีเป็นจมา่นนี่จะไปเปิดฟ้าบาทสึงหัวต่อนว่าคนใส่บายมันทื่อมันไม่คล่องแค่ว่ามันไม่ฟองใสและอาหารพระโอษหานี่ผองใสผองใสด้วยคล่องตัวด้วย ส, ง, สงบสงบได้ด้วยถย้้อยู่ยังไงมันอยู่ได้อย่างนั้น นั่นเมื่อเวลารบิบบังคับแอลกออแล้วกําลังทําเหนือกว่าแล้วสมาธิมันก็กําลังทํารรมาธะทำเหนือกว่าแล้ ว, ล ท, าา ท, ว, ลวที่เหลือมันก็ไม่ดิบไม่ดิน่นสงบแน่วเพราะงั้นหยิดเป็นสมาธิแล้วสิ่งเดียวว่าพร้อมแล้วที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะมัน อ, อิ่มอารมณ์รูปเสียงจิ่นรสเครื่องสมัมผัสมันรละไม่ได้ประการแต่มันอิงคือมันพอตัวมันอยู่ในความสงบนความสงบเป็นอาหาร ของใจใจก็ยังไม่หิวโหยกับลูกเสียงกลิ่นรถเครื่องน้ำมันต่างๆที่มันเคยกวนตลอดเวลาเนี่ยเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญามันก็ทําตามเราบังคับให้พิจารณาคือมันไม่เคเแต่ะไรยิ่งไม่มีสมาธิพอออกพิจารณานี่ป้ามันะเลเรตอะไรไปแล้วไปหาลูกหาเสียงหากลิ่นหารถนุ่นเข้ารถเข้าหงไปแล้วลงเหวลงบ่อไปแล้วท่านเดยงั่นนะอันนี้จันทิยาสมาธิปัญญาจากปัญญามหาปราหุถืให้สร้าง เอ้ยไม่ไมมีเคลื่อนข้าดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ย่างที่พูดอย่างที่เ้านะพนภาวนาเจรจเิญเติมเรียนรัดนั่นพูดว่าสมาธิไม่จำเป็นพินาปัญญาเลยนะจริงๆมาขยายง่ขายง่คนคนมากรือไ่หนขึ้นเขาเลยขึ้คนมากใช่ไหมคนแรมาเดินมาามมไม้ ในสามแดนโลกธานนี้ไม่มีอะไรเหมือนอิที่บรุรุษ น, นั่นแหละสุกันนั่นแหละสูกแบบคาดไม่ถูกถ้าเป็นก็เป็อย่างเดียวฉะนั้นไม่ต้องคาดเป็นกี่รายก็ไม่ต้องคาดเลยเพราะนั่นคือวาเห็นองค์กระตดาษตลอดเวลาก็เพื่ให้เห็นทําม่อให้เห็นเราก็หนีเองท่านน้ำพุ่งยอดที่ไหนเป็นเครื่องประกาศกันแล้วในนั้นเหมือนนั่นแหละ ทุกมีบังคับอยู่คือดิ้นต่างกลต่างดิ้นนั่นมีแต่หวังว่าจเจริญเจริญอยากได้อยากดีอยากร่ำอยากรวยนี่จะความต้องการความเยินยอมสรรเสริญมีหน้ามีตาจากีิเลตทั้งนั้นนะทีนี้มันเวลามันดับขันานไม่เห็นยุ่งที่ดิ้นตายเป็นดิ้นตายมาสิดหนี้ติดสิด น, นของรุงพลงังจนยกเอาตัวไปไม่รอดห้าตัวตายก็มีเยอะ หนีทุกข์ว่ะต่ออีกเอาทุกข์เขาหนักเขาไปอีกไงนี่นายหนีนะเรื่องไหนนี่นี่เรียนมันเคยทคําคนที้มีความสุขความสบายที่ไหนไม่เคยมีถ้าเห็นโทษก็เห็นกันเห็นก็หมดทางไปเคยดกี่กับกี่การตายกินกับกการมาแล้วก็ไม่เสร็จไม่หลับแล้วไม่รู้ตัวของเกิดตัวของตายดูในะอริยาศาสตร์ทัานดิถ้าเราได้ดูในอาญาศาสตรนี่เรารู้หมดแหละวงอาญาศาสตร์เป็นวงที่จะกระจายโลกธาตุ แต่มันเห็นตามหลักความจริงก็เห็นเป็นความจมํานี่เถอะอริสัตรความจํามีอริสัตรความจริงอริสัตรความจำนั้นคือรคเราเรียนมานี่นะมันไม่ได้ล่าเดินหลังอะไรใครเรียนก็ได้ใครเรียนจำได้ทั้งนั้นหญิงผู้ชายนักบวชครวาัตเรียนได้จําได้แต่ว่าไม่มีความจริงในหัวใจอย่างที่ก่อทีบัติเข้าไปมันเห็นความจริงนี่เรื่องเกิดต่างตาไปจากไหนไม่ไปจากสมูทยัยมันหมุนของมันจิ๋วจิเห็นอยูนกองจักรที่พายเกิดและตายมันหมุนอยู่ในนั้น มันเห็นอย่ประจันมันจะไปถามใครพระพุทธเจ้าก็มาถามพระองค์แ่ละแต่ลงเล็กเขาเป็นในจุดนั้นแล้วถามทำไมธรรมชาติอันเดียวกันอย่างที่กล้าพูดอที่ว่าตาเกิดตายสูญตายสูญสูญไม่มีนีแต่ตายเกิดตาเกิดเป็นอยู่นี้ตลอดตายเกิดตาเกิดแล้วมีนบาสกรรมหนุนเข้าไปอีกหนดีหนุนตัวเข้าไปอีกเสริมลงไปคนละที่ละทางเกิดเกิดเกิดเป็นแบบไหนละเนี่ย เรื่งเกิดไม่แน่นอนหนึ่งทั้งเกิดนั้นเกิดแม่เราจะไปเกิดเป็นอะไรไม่แน่นอนสุขสูงต่ำกับขนาดไหนไม่แน่นอนเพราะวิบากกรรมเรื่องหน้าของจัดทํากรรมด้วยกันทั้งนั้นอ่ะเหนื่อยเหรอเรืองเนอยไหมเหนื่อย